ต่อไปพากันตั้งใจฟังศีลที่พวกเราสมทานไปเมื่อสักครู่นี้ถ้าเป็นไปได้ให้พวกเราพากันรักษาปฏิบัติอย่าให้มันเป็น ศีลพิธีรีตองเสสวยให้ทําให้ทฟองเข้าใจว่าทำไมพระพุทธเจ้าจึงสั่งจึงสอนให้พวกเราเนี่ยรักษาศีลคำว่าศีลในที่นี้หมายถึงถ้าไม่รักษามันจะเป็นบาปเป็นกรรมบาปกรรมหรือโทษอันนี้ละเปียบประมาประใหม่เหมือนกับ สีดำเหมือนกับสีน้าหมึกจิตใจของพวกเราเปลียบประมาณพอไหมเหมือนกับผ้าข า, ขาวๆมือสีข า, ขาวๆถ้าเอาสีดำๆเพืเข้าเพื่อเข้ า, ขาทุกวันทุกวันมืมันนานเข้านานเข้ามันก็จะดำเมือ่อมันดำจำเที่แล้วมันก็จะมืดตึ๊บตื อ, ต อ, ตอที่จิตใจเพราะฉะนั้น การมืดมนนทกาลของกีดของใจนี่แหละมันจังมัถึงรับทำคําสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้ปกปิดจริงๆแล้วพวกเรานี่เกิดมาในโลกเนี่ยชานานแล้วชาติพบที่พวกเราเกิดถ้าย้อนหลังเป็นอดีตอะเป็นหมื่นๆเป็นแสนๆเป็นบ็ดล้านๆแล้วชาติพบที่เกิดมาแต่พวกเราจําไม่ได้เท่าไหร่ตัวสัญญาความจําเนี่ยมันจาไม่ได้ เพราะฉะนั้นบางทีพวกเราทั้งหลายจะเกิดพ้อมพระพุทธเจ้าองค์แรกก็ได้พระพุทธเจ้าเมื่อเกิดในอุบัติขึ้นในโลกไม่ใช่ ย, ย่อยที่ท่านเลี้ยงไว้เปียงย่อย่อยยู่ในพระสูตรชมพุทเทอัตวีสัญจาดวรสัญจาสังฆสเกณพระพุทธเจ้าที่ล่วงเข้าสู่พระวิธธนิจฉัยไปแล้วทั้งหมดรวมแล้วจะเพียงย่อยย่อย 3ามล้านห้าแสนแปดหมืนหนึ่งพันเก้ารแปดรอยเก้าที่สองพระพุทธเจ้าแล้วบางที่พวกเราเนี่เกิดพ่อมองพระพุทธเจ้าองค์แรกก็ได้ทำไมมาถึงมาตกข้างมาถึงปัจจุบันนี่มันเพราะอะไรแต่พราะว่าเกียตใจเนี่ยมันรับทำคำสอนของพระพุทธเจ้ามันได้ตามีไหมหูมีไหม จมูกมีไหมอวัยวะรูปส่วนมีพกคันบริบูรณตาหรือหูหูมันก็เหมือนกับหูแอบเข้าเขาหรือหูค้องเขาตาเหมือนกับตาไม่ไยมันไม่รับทาคำสอนของพระพุทธเจ้าแม่กระทั่งปัจจุบันนี่ก็เหมือนกันต้องรับต้องทำต้องเมื่อตื่นจากดเนื้อตื่ น, ต, น, ต, นตัวตื่นจากลับรรีบพักขันประพฤติปฏิบัติเพราะอะไร เพราะเราจะได้พึ่งพาอาศัยา น, นิสง์ของการให้ทานการรักษาสิ่การเจริญเวตาภาวนาในอนาคตต่อไปข้างหน้าอนาคตคืออะไรอนาคตคือพวกเราจะได้เกิดอีกต่อไปในข้างหน้าจนกลัวว่าจิตใจของพวกเราจะเห็นโทษในการเกิดการแก่การเกิดความตายตาบใด กิจใจเบื่อหน่ายใครความกุนหมัดยินดีที่ท่านที่ท่านให้ชื่อให้นามว่าพานิพานคําที่ว่าพานิพานในที่นี้หมายถึงนิพพิธาความเบื่อทําอย่างไรมันจะเบื่อเบื่ออะไรที่นี่เบื่อในการเกิดการแก่การเก็บการตายเบื่อในรูปเบื่อในเบื่อรูปเบื่อดิเวทนาเบื่อทัญญาเบื่อสังขานเบื่อเบื่อบริญญาณ รือเบื่อจิตใจตนเองว่ามันลุ่มมันหลงมาเกิดมาแกมาเก็บ ม, ม, มาตายอยู่ในโลกทีนี้จริงๆแล้วพวกเราสลูแล้วที่มาเกิดมาแกมาตายเก็บําๆซ้าๆท่าซ่ากันนี่ก็เพราะว่ามันไม่เห็นตนเมื่อมาเห็นตนแล้วก็มายึดอวบนสกลร่างกายตนตัวนี่ว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์เป็นคนจริงๆแล้วมันไม่ใช่ถามก็ได้ ทำบริยยทุกส่วนทําร่างกายก็ได้เพราะจะให้คําตอบไหมมันมีทางก้อนสกุลร่าง ก, กายของกรงร่อนเหมือนกับท่อนไม้ท่อนฟืนนเนี่ยสรุปรว่าก้อนสกุลร่างกายรวมอยู่ในก้อนสกุลร่างกายของเรามันมีอะไรบ้างอยู่ใน น, นี้รวมแล้วก็มีของสี่อย่างหมดทั้งโลกหมดทั้งสาลเนี่ยมีของสอย่างเท่านี้ของสี่อย่างคืออะไรคือธาตุทั้งสี่มีดินหนึ่งธาตุดิน และธาตุน้าําธาตุไฟธาตุลมรวมอยู่ยในก้อนสกุลละกายตัวของพวกเราจริงๆแล้วดินก็นไม่ใช่ตนน้ําก็ไม่ใช่ตนไฟก็ไม่ใช่ตนลมก็ไม่ใช่ตนนั่นเห็นไหมตนของตนจริงๆ น, นคืออะไรที่นี่คือดวงจิต ด, ดวงใจดวงจิต ด, ดวงใจอันนี้มันเป็นนามธรรมมันมมีรูปไม่มีร่างแตกตายทำลายไม่เป็น ที่แตกตายทำลายขันธาตุเขแตกต่างหากทำไมมันจึงแตกเพราะธรรมชาติมันเป็นพวกแตกของดับเพราะว่ามันมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นมีความแปรปรวนในทำกลางมีความแตกสลายไปนในที่สุดนะมันเป็นอไปมาของมันอยู่อย่างนี้เมื่อมาแตกแล้วมันไปจับมันจับไปไห น, ม, น ม, มันมาจากที่ไหนก็ไปที่เดิมถ้าไม่เผา ปล่อไปแต่ธรร ม, ธรมชาติดินก็จะละลายลปไปสู่ดินน้าก็ไปสู่น้ำไฟก็ไปสู่ไฟลมก็ไปสู่ลมส่วนที่เหลือก็คือดวงกิดดวงใจดวงกิดดวงใจอันนี้เมื่อเวลาธาตุขันมันแตกลงไปแล้วเน่ยกิตใจยังติดใจอยู่กับร่างกายอยู่ยังยึดมั่นถือมั่นอยู่กับร่างกายอยู่เรื่องอย่างนี้ละมันจะย้อนกรรมเมื่อเกิดอีกพอย้อนกรรมเมื่อเกิดแล้วที่นี่ก็ พระพุทธเจ้าที่งเรียงทำรรมัสังเวทไว่ให้พวกเราสวดอยู่ท่จังหวัดทมัสังเวทอิสาตะท่ากตะโรเกอุปโนโอรหังส ม, มาสัมปุโทโธธรร ม, มวัตเดสิตโตนิยานิโกปะสัมิโกปริบาลิโกปริสัมปุทกะมีสุขตาปเวริโตมายันตังธรรมังสุตวาเอวังชนมามัณช่าที่ปีทุกฆาเกิดความเกิดก็ดเป็นทุกข์แก่ก็เป็นทุกข์ เก็บไข้ได้ป่วยก็ไม่ทุกข์แตกตายทํารายขันก็นไม่ทุกข์นี่ท่านให้จเจริญให้ครอบไปทั้งจิตทังใจเพื่อจิตใจมันจะเบื่อหน่ายเพื่อจิตใจมันจะถอนหลบจากร่างกายหาของทางทําอย่างไรสรุปแล้วจะทิ้งร่างกายนี้ได้ถ้าทิ้งร่างกายนี้ได้มันก็จบแล้วจะจะให้หมาทุกข์ที่ไหนเพราะว่ากายไม่มีเวทนาไม่มีกายไม่มีสัญญาไม่มี กายไม่มีสังขารไม่มีกายไม่มีวิญญาณไม่มีนะ่ยสรุปแล้วมันทุกพอะไรทุกเพราะมันมีมีอะไรมีก้อนสกปรกลนกายเนี่เพราะฉะนั้นจิตว่าท่านให้มามาปฏิบัติมาสร้างสติสร้างปัญญาขึ้นมา Scotland, มาค้นมาคั่วมาพิจารณาทํามันไดจิตใจมันจะถอนหล ง, งสรุปแล้วมันหลงอะไรมันหลงตนขอตนเมื่อไม่เห็นต้น นั่นแหะมันจะหลงมาเกิดมเมื่อแก่มเกมาตายกับไ่ยึดสมบัติอันเดิมเกิดมาแต่ละข้างละข่าวพุทธะตั้งต้นมันจะเกิดเป็นหมัดสัตว์โลกทุกตัวสัตว์จิตแต่ละดวงดวงสมบุญมาหมดเกิดมาหมดสุกตัวสัตว์แต่นานไม่นานแต่มันก็ไม่เบื่อทําไมมันจะไม่เบือ่อเพราะเพราะมันไม่เห็นธรรมธรรมที่พระอริยเจ้าท่านลูกท่านเห็น ธรรมของเกียรติของพระอริเจ้าอริยะสัจธรรมทั้งสีนี่คือไรนี่อริยะสัจธรรมทั้งสี่ออรรรสก็คือทุกข์หนึ่งสัมมุทัยเหตุทุกเกิดหนึ่งนีโลดคือความดับทุกข์หนึ่งที่นี่ก็สัมมุทัยมาเกิดจากที่ไหนเหตุมันอยู่ตรงไหนเหตุทุกเกิดเหตุที่ทุกเกิดก็คือดวงกินดุงใจนี่นหละทุกข์ ท, กที่มาเกิดขึ้อนอะไรจะเป็นทุกข์กจิตใจได้เป็นทุกข์เพราะฉะนั้นท่านให้กตำรวดเข้าไปดูให้มันรู้ให้ไปเห็นเหตุ เหตุให้ทุกเหตุที่ทุกเกิดหนึ่งแล้วก็เห็นทุกหนึ่งเห็นสองอย่างนี่ละอย่างละร้อยเปอร์เซนพันเปอร์เซนหมื่นเปอร์เซเห็นทำสองอย่างเมื่อมาเห็นถึงร้อยเปอร์เซนันเอร์ม่นี่ะตรงนี้ละจิตใจมันจะเป็นพระประโยคแรกพระคือพระอะไรดีพระโสดาบันนี่เป็นธรรมของพระอริยเจ้าของดีของจริงของพระอริยเจ้า พอกเราเราไปยกให้พระอริยเจ้าเรากัพระอริยเจ้าอยู่ซึ่งไหนล่ะพระอริยเจ้าอยู่ในท้องฝ้าอากาศบนนอยู่ที่ไหนนั่นไม่มีตัวมีตนจริงๆแล้วใครก็ตามพระนี่ไม่ใช่ว่าผ้าเหลืองก็ผมก็ร่นผ้าขาวก็ผมก็รลนไม่ใช่ผ้าดำดำผมยาวๆนี่ก็เป็นพระได้ถ้าเห็นธรรมสองอย่างเห็นทุกหนึ่งเห็นเหตุทุกเกิดหนึ่งเหตุทุกเกิดอยู่ที่ไหน เฮเธทุกเกิดก็คิดใจอันเดิมนี่แหะเป็นเหตุทุกเป็นตัวสมุททยสมุทัยก็คิดแค่กิจใจอันเดิมนี่แหละมันหลบไปตามสัญญาอารมณ์หลงหลงลูกหลงเสียงหลงกลิ่นหลงรสหลงเครื่องสังกัดหลงกูหลงมึงหลงสัตว์หลงบุคคลนี่นั่นจริงๆะสรุปธาตุย้อนเข้าไปลึกๆก็มันหลงตนเมื่อมาเห็นตนน่ะมันจึงหลงมาเกิดมาแก่มาเกิดมาตายเพราะท่านอานพระพุทธเจ้าใช่ไหมพู้มาให้มาปฏิบัติมารักษาปฏิบัติ ตนตนก็นคือศีลน่ะเมือม่อเมือม่อเมื่อมาเป็นศีลนี่มันกลเป็นธรรมเมื่อมาเป็นธรร ม, ม, มนมี่แมันก็จะมีเมตตาสงสารบุคคล่นสัตว์อื่ น, านปานายากให้บุคคลดีสัตว์อื่ น, นมีความสุขกายสบายใจและก็คิดจะช่วยให้บุคคลดีสัตว์อื่นเขาพ้นจากความทุกข์นี่ถ้าจิตใจใครก็ตามถ้ามีลักษณะอย่างนี้เรียกว่าจิตใจเป็นศีลจิตใจเป็นธรรมจิตใจเป็นพระนี่พระอยู่ที่นี่ เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าว่าผู้ใดเห็นตนผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตนัดอยู่ที่เดียวกันที่นี่เพราะหรือมิฉะนั้นกับพระพุทธเจ้าธรรมสอนให้พวกเราเนี่ให้รู้จักตนหนึ่งให้รู้จกัจกบิดาหนึ่งให้รู้จักให้รู้จักมารดาหนึ่งให้รู้จักคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณผู้ทรงฆ์หนึ่งนั่นน่ะในนี้มันไม่เห็นตนส ร, รูปแล้ว ก้อนเจ้กุลละไก่ถ้าจะพูดตามความจริงเรื่ไม่ใช่ของเราถ้าจะตั้งซื้อให้ถูกตามกับำคําสอนของพระพุทธเจ้าเราธาตุดินเป็นสมบัติของบิดาเป็นคุณของบิดาธาตุน้ํ า, าเป็นสมบัติของบรรดาเป็นคุณของบรรดาธาตุไฟก็ให้ความอบอุ่นธาตุลมก็อาศัยพัดไปพัดมาให้ธาตุทั้งสี่สามัคคีกันตั้งอยู่ได้ชั่วระยะเท่านั้น ท้ายมันก็จะแตกจริงๆแล้วพวกเราใส้อยู่ในปัจจุบันไส้สมบัติของบิาดามารดาที่ผู้ใส้เป็นเป็นคุณเป็นประโยชน์แก่ตนผู้ใส้ไม่เป็นเป็นบาปเป็นกรรมบากรรมมนันนี่แหละมันจะพักดันให้พวกเรามาเกิดมาแก่มาเก็บมาตายอยู่ในโลกไม่มีที่สอยที่สินเพราะฉะนั้นท่านจะให้พระพุทให้กราบไหว้บูชา บิดามารดายกพ่อยกแม่ไว้ที่สูงเอาสมบัติของบิดามารดามาสร้างคุณงามความดีรักษาตนสร้างคุณงามความดีตั้งตนเป็ฏิการให้ทานการรักษาศีลการเจริญเมตตาภาวนาสะสมว่าซึ่งบุญกุศลเนีน่ยสะสมไปสะสมไปมือมนัน ม, มากเข้ามื่อมันมากเข้ามากเข้ามากเข้าที่นี่ก็มันจะให้ผลเมื่อมันให้ผลแล้วนั่นละเราจะเห็นคุณของการปฏิบัติเราจะเห็นคุณบิดาหนึ่งเห็นคุณมารดาหนึ่ง เห็นคุณพระพุทธและเห็นคุณพระธรรมและเห็นคุณพระสงฆ์เพราะว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดามันก็จะวิ่งมามารวมอยู่อยู่กับเราอยู่ที่ไหนล่ะอยู่ในโรงกินดวงใจของขอกเรานี่พ่อเราก็อยู่ที่นี่ถ้า จ, จิตใจของเราเข้าไปถึงตนเข้าไปถึงธรรมเนี่พ่อเราก็อยู่ที่ตนของตนก็อยู่ที่นี่พ่อเราก็อยู่ที่นี่ แม่เราก็อยู่ที่นี่พระพุทธก็อยู่ที่นี่พระธรรมก็อยู่ที่นี่พระสงฆ์ก็อยู่ที่นี่พระพุทธะก็คือตัวผู้รู้ธรรมะก็คือทำคําสอนของพระพุทธเจ้าสังฆาก็คือผู้ปฏิบัติใครรับปฏิบัติเราเรียบตนของตนเนี่ยเป็นผู้ปฏิบัติปฏิบัติให้เป็นศีลปฏิบัติให้เป็นธรรมมาปฏิบัติมาทําตนของตนให้เป็นให้เป็นที่พึพ่งของตนเพราะฉะนั้นท่านจึว่า มปาปฏิบัติมาทาตนของตอนให้เป็นที่พึ่งของตอนแล้วที่นี่ถ้าท่านจะว่าอัตหิอัตโนนโถตนนั้นแหละเป็นที่พึ่งของตอนโกหินะโถปโลชิยาคนอื่น ใ, นใครเล่าจะเป็นที่พึ่งได้นั่นสรุปแล้วโดยส่วนมากมันดูถูกดูมินตนเองว่าเรานี่บุญน้อยวัฒนาน้อยไม่ใช่ ฐานะของเราผู้ประพฤติปฏิบัติจะยกให้ผู้ออกบวชกกนผมขูดขิวนุ่งเหลืองห่มเหลืองนุ่งขาวห่มขาวจริงๆแล้วใครก็ได้ขั้งพุทธกาลเป็นฆราวาสญาติโยมเหมือนพวกเราเนี่ยไปฟังเทศของพระพุทธเจ้าก็ได้สำเร็จเป็นพระอริยเจ้าตั้งต้นเร็นพระโสดาพระสกิทคาพระอนาคาและพระอรหัน เสื่ันได้เพาทำขั้มตอนของพระพุทธเจ้านี่ยอันนี้พวกเรานี่มองข้ามตัวเองว่าไม่ใช่ฐานะของเราว่าเราบุญเราเราเนี่บุญน้อยวัดฐาะนะน้อยไม่ใช่ฐานะของพวกเรารู้ว่าบุญน้อยก็ปฏิบัติบำรุงรักษาให้ ม, ม, นนหนมนันเจริญเติบโตขึ้นโดยลําดับจนมันก็น้อยมันก็เจริญเติบโตขึ้นมันก็ใหญ่โดยลําดับเพราะฉะนั้นว่าให พากันตั้งกุกตั้งใจแลยกปลูกศรัทธาความเสื่อความเรื่องใสให้มนันลมากที่นี่เวลาปฏิบัติเวลา ป, ปฏิบัติเวลาทำสมาธิภาวนาเนวลาทำเกิดขึ้นเราจะอย่าไปมองข้ามทำที่พระพุทธเจ้าท่านและพระอริยเจ้าท่านรูท้ท่เหนทุกนิักเป็นของจริงอันวิเศษถ้า โวยส่วนมากพวกเรามันจะปิดธรมไปปีธำมคือจะปีทุกเนี่ยถ้าเป็นมนุษย์กับปัจจัยทั้ง4ี่นี่แหะปีทุกผ้าหนึ่งปิดทุกอาหารการบริโภคปิดทุกขที่อยู่อาศัยปิดทุกยาบําบัดโรคปิดทุกเนี่เมื่อปิดทุก์กับปีธรมทํากับทุกอันเดียวกันอะเพราะว่าทุกมาเกิดที่ไหนมันก็ทุกมันก็เกิดขึ้นจากเหตุเหตุมันอยู่ที่ไหนเหตุมันเกิดขึ้นจิตดวงใจหน่อนั้น เกิดขึ้นเกิดที่ดวงจิตดวงใจเกิดเกิดพบมันยินดีเกิดพบมันยินไล่เกิดพบมันดีใจเกิดเพราะเกิดพบมันเสียใจเกิดพบมันรังมันรักเกิดพบมันชังเกิดพรมันขวดอาการทั้งหลายแหล่ที่มันเกิดขึ้นจากจิตจากใจนี่ท่านว่าขึ้นซื้อว่าความเกิดแล้วท่านให้ซื้อว่าทุกเดือนน้อยหนึ่งนิดเดียวก็เป็นทุกขึ้นซื้อว่าเกิดเพราะฉะนั้นท่านจะให้มา ปฏิบัติมาทําจิตให้มั่นสงบลงไปให้มั่จิตแมื่หยุดจิตถ้าจิตหยุดจิตจิตนิ่งเป็นสมาธินี่หัวทางเข้าไปดับทุกเนี่ยเนี่ยเมื่อจิตหยุดจิดจิตอ ย, ย, ย, ตายาู่จิตจิตหยุดปรุงหยุดแต่งทุสั่วระยะจิตสงบเป็นสมาธินี่แหละหัวทางจะเข้าไปดับทุกดับตรงไหนละ่ะดับตรงที่มันเกิดมันเกิดที่ไหนมันเกิดมันเกิดพื้นที่ดวงจิตดวงใจ เมื่อเกิดขึดที่วงจิตดวงใจเมื่อกดดับลงที่นี่เมื่อทุกข์เราไปแล้วอะไรเมื่อก็ไม่มีอะไรเมื่อมันไม่มีอะไรจิตใจมันก็ ว, ว่างเพราะฉะนั้นจีว่าความสุขอันแท้จริงสุขสุขที่ไม่มีอะไรจะเปรียบสุขอัศจรรย์คือดวงจิตดวงใจอันบริสุทธิ์แต่ถามว่าพวกเราที่จะปฏิบัติให้จิตใจบริสุทธิ์ได้ไหมไม่ต้องสงสัยขอให้ปฏิบัติขอให้ทำท่านเลยกล้าทำอย่าไปกลัวทุกข์ถึงทุกข์เลยทุก ความเก็บปวนเล่าเพวกรวดเล่านี่มันเกิดได้มันดับได้ที่เกิดระดับนี้แหลท่านว่ามันไม่เที่ยงมันแปลีปวนเปลี่ยนแปลงสิ่งใดไม่เที่ยงที่ไหสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นมันเป็นทุกข์สิ่งใดไม่เป็นทุกข์สิ่งนั้นไม่ใช่ตนแล้วเกิดภายนอกก็ตามเกิดภายในก็ตามถ้ามัทุกข์แล้วไม่ใช่ตนสรุปแล้วถ้าตนของตนจริงๆนั้นไม่มีอะไรอยู่เนิ่มันจะว่างที่มันไม่ว่าง ก็พอเราหลงไปยึดเอาของภายนอกเข้ามาทับถมจิตใจเอาลมภายนอกไปรูปเสียงกินรถเครื่องสัมผัสยินดียินร้ยนยนยนายดีใจเสียใจพวกนี้เข้ามาทับมาถมจิตใจสุดท้ายามันก็ทําให้จิตใจหนักหน่วงทำให้จิตใจมืดมนอุตกกาศวินอยู่ไปตามโลกตามทา้องถันแล้วคิดว่าคิดว่า ความร่ํารวยมีทรัพย์สมบัติของเท่าผููเขานี่คิดว่ามันจะสุขไม่มีทางความทุขอันแท้จริงจริงๆอะอยู่ตรงไหนอยู่ตรงที่จิตใจมันไม่มีอะไรจิจิว่างเพราะฉะนั้นท่านจะให้อยากให้พวกเราอะมาปฏิบัติมาทำกิจจะให้มันว่างว่างไม่มีอะไรอยู่ในดวงกิจดวงใจเมื่อกิจใจว่างสุขก็ไม่มีอยู่ในในดวงกิจดวงใจทุกข์ก็ไม่มีอยู่ที่นี่อยู่ในดวงกิจดวงใจ จิตม่จะว่างเมื่อมันมว่างมันก็จะเบามันก็สบายแต่กีเล็มันไม่ให้เข้าไปมันปิดมันบงังพอพอทำจะโผล่หน้าขึ้นมาให้ดูมันก็ไม่ดูนะเพราะฉะนั้นท่านจะให้ฟ่าฝืนปฏิบัติเห็นไหมพระพุทธเจ้าที่ท่านปฏิบัติมาก่อนพวกเราน่ท่านปฏิบัติอดอาหารตั้งสี่สิบเก้าวันจนนับกระดูกชี่โคงได้ นี่คุณทุกไหมทุกนั่นละ่ะสรุปเรื่องกับของอทุกนี่ละ่ะเป็นของจริงของดีอันพิเศ ษ, ษเมื่อทุกดับลงไปอะไรจะเกิดขึ้นมาแทนทีนึ่นั่นก็สุขนั่นแหละทีนั่นเพราะฉะนั้นละ่ะยาประมาทยานอนใจรีบก็ทำมันเป็นใส่ตรงอะไรมันไม่มีอะไรมันบกพ้องท่านไม่ ม, ก ม, ม, มีก็สร้างขึ้นมาศีลไม่มีก็สร้างขึ้นมาสมาธิไม่มีก็สร้างขึ้นมาตั้งจิตตั้งใจประบัติปฏิบัติ ข, ของใครของเรา ให้ไม่เป็นที่เฟ่งของตน mm hmm. เพราะฉะนั้นนะให้พวกเราทำความเข้าใจว่าของดีที่สุดคือจิตใจของพวกเรานะ่ะอันบริสุทธิ์ที่นี่ถ้าผู้ใดปล่อยป ล, ยปลาละเลยไม่เอาใจใส่ไปทําคมกซ้วดเสียหายใส่ตนของตนทานก็ไม่มีศีลก็ไม่มีแล้วก็ไปไปนับถีอไปกราบไปไหว้นอกรีนอกรอยนอกจะทําคําสอนของพระพุทธเจ้าที่นี่เมื่อ แตกตายทำลายขันลงไปที่นี่จำชั่วนั่นละมันจะผักดันจิตใจให้ไปเกิดในภูมิที่ต่ําภูมิที่ต่าไปเกิดที่ไหนภูมิที่ต่าไปเกิดในเมืองนรกไปเกิดเป็นเปรตไปเกิดเป็นอสุรกายไปเกิดเป็นสัตว์ดิบสานไปเกิดเป็นผู้พีปีศาจย่ยางได้อย่างหนึ่งแน่นอนไม่ต้องสงสัยที่นี่ฝ่ายกูศสนที่นี่ถ้าพวกเราปฏิบัติตาม สติตามกําลังของของใครของเรามีมากมีน้อยตามสุดก็ย้อนมาเกิดเป็นมนุษย์อันบริสุทธิ์บริบุรณสูงขึ้นไปอีกก็ไปเกิดในสวรรค์หกสั้นสั้นใดสั้นหนึ่งแล้วก็สูงขึ้นไปอีกก็ไปเกิดพุ่มหกสั้นสั้นใดสั้นหนึ่งพุ่นสูงขึ้นไปอีกก็ไปเกิดในสุทธวาฏ5ส้สั้นใดสั้นหนึ่งถ้าไปถึงสุทธวัฏไม่ต้องย้อนกลับมาเกิดอีก ต้องไปไปไ ป, ไปพ่นทุกข์ที่นั่นเลยไปชเร็จที่จุติวัฏห้าไม่ต้องย้อนกลับนั่นต้องได้รับผลแน่นอนถ้าไม่เชนั้นแล้วมินจะล่องรอยอยู่ในนี่ยอยู่ในโลกมันมีที่จบที่สิ้นเกิดแก่เก็บตายวนเวียนอยู่นี่จึงอยู่ในโลกในชัสามทั้งสุขทั้งทุกข์สลับกันไปอยู่นี่เพราะฉะนั้นสรุปแล้วอยากพนทุกข์ให้วางสุขในโลกอยาคนโศกให้วางสุขในรักสุขทุกนี้ของมีผลจําโลก มนุษย์เศร้าโศกกระพาสุขทุกทั้งสองเมื่อละสุกระทุกได้เหมือนใจปองไม่สมองขุนมัวชั่วนิรันด์อเห็นไปสุดท้ายมันเป็นอย่างนี้อที่นี่ก็อย่างลูกปูของเราที่ท่านจากพวกเราไปจริงๆแล้วลูกปูไม่ได้ตายร่างกายของท่านแตกต่างหากดวงจติตจิตใจของท่านท่านไม่ได้ตายถ้าใจิตใจของท่านเห็นทุก เบื่อนายทุกจริง ๆ, ๆแล้วน่นนะตรงนี้ละท่านจ ะ, จะย้อนไม่ย้อนกรรมมะเกิดดีถ้าท่านจิตใจของสั้นยังยินดีพอใจอยู่กับร่างกายอยู่ตรงนี้ละมันจะย้อนกรรมมะเกิดดีเพรนั้นแหละจริงๆล้วะจิตใจนั้นไปตายไม่เป็นแตกไม่เป็นดับไมเป็นให้ทํานพวงเข้าใจที่นี่นั่นนะให้เข้าใจที่นี่ที่นี่ประโยคแรกที่เราพวกเรามะเกิดครั้งแรกเนี่ยไม่มีอะไร มีแต่ดวงกิดล้วนเป็นนามธรรมแต่ว่าภาพของสัตว์ภาพของบุคคลเนี่ยไม่ที่มัดอุปทานยึดมัดถือมัดที่มันเป็นอดีตผ่านมานมันฝังอยู่ในดวงกิดดวงใจของเราเหมือนกับดวงกิดดวงใจเหมือนกับแผ่นซีดีนี่พวกภาพพวกตวกภาพภาพสัตว์ภาพบุคคลมันฝังอยู่ในดวงกิดดวงใจเพราะฉะนั้นกรรมพวกนี้ละมันจะผลักดัน ให้พวกเรามาเกิดอีกนั่นแหะไม่จะเกิดก็ได้เกิดถ้ามันไม่เบื่อตบไปล่ะต้องเรียนมาเกิดอีกพระเจ้าด้านชั้นยอดท่านจะให้มามาปฏิบัติทําให้จิตใจเนี่ยมันเบื่อหน่ายครายความกำหนัดที่ดีให้มันถอนดอกให้มันเบื่อหน่ายจากรูปจากเวทนาสัญญาสังขารมินทร์ให้มันเห็นจริงตามความเป็นจริงของมันให้จิตใจมันแยกออกจากร่างกาย่ อย่างพระสุดาท่านะละสกายตัวสกายยะทิฏีดไม่เห็นร่างกายดิเป็นตนไม่เห็นตนดิเป็นกายไม่เห็นกายีิมีในตนไม่เห็นตนดิมีในกายนั่นโดยสกายทิฐิวิจิตรสาก็ไม่สงสัยศีลพัตตปรมาสก็ไม่สงสัยว่าศีลอยู่ตรงไหนนั่นศีลก็คือ ดวงจิตดวงใจของพวกเรานีิสมาธิก็คือดวงจิตดวงใจของพวกเรานี่ปัญญาก็คือดวงจิตดวงใจอันเดียวกันเนี่ยอยู่ที่เดียวกันเนี่ยเนี่ยอยู่ที่นี่ไม่ได้แยกกันเนี่ยอยู่ตรงนี้อยู่ที่เดียวกันเนีถ้ามันเขียนซั์จิตลงไปอย่างนี้นละนะเขียนถึงจิต ถ, ถึงใจจริงใจริจิตใจมันจะเป็น อ่าเป็นธรรมมันจะมีเป็นศีลเมื่อจิตใจเป็นศีลแล้วทีน si ี้ไม่ต้องเลยรักษาตีไม่ต้องเลยรักษามันจะมีความละอายแก่ใจเป็นศีลเป็นธรรมมีความละอายแก่ใจแล้วก็มีความกลัวต่อบาปต่อกรรมละอายต่อบาปต่อกรรมจะไปให้ทําของชวดเสียหายลงไปน่ยให้ตายซะดีกว่าถ้าจิตใจเป็นลักษณะอย่างนี้เนี่ยรียกว่า จิตใจเป็นศีลจิตใจไปทำจิตใจจะเป็นพระพระอยู่ที่นี่อยู่ที่ดวงกีจดวงใจเขาพวกเราอนบเนวังก็มีด้วยปากการละนี